ก็ากันตั้งใจบัดนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ในทิศไหนทางไหนเราก็ลงเรือลำเดียวกันหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกัน โบราณท่านกล่าวเป็นพาสิทธ์ไว้ว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้แหละเป็นปิศนาท่านทำปิธนาไว้ให้คนคิดนะไร คนสามบ้านในที่นี้ท่านหมายเอาสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกรรมภพรูปภพอรูปภพนี่แหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามนี่อันบุคคลที่จะได้บรรลุถึงความสุขในขั้นใดๆนั้น ป ร, รวนแต่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าการปฏิบัติของแต่ละคนนั้นมันก็ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวไว้ว่าเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกัน ก็ต่างคนต่างปฏิบัติไปอตามความสามารถของตนของตนใครมีความสามารถมากผู้นั้นก็ปฏิบัติทําได้มากนั่นแหละผู้ใดมีความสามารถน้อยก็ปฏิบัติทําได้น้อยเหตุนั้นนี่ว่ามันไม่เหยียบร้อยกันนะ แต่มาดื่มน้ำบ่เดียวกันแต่หากไม่เหยียบรอยกันเพราะความสามารถของคนเรานี่จะเอามาเทียบกันไม่ได้เลยมันเป็นอย่างไงแต่ถ้าหากว่าเราต่างก็ประพฤติปฏิบัติตรง ต, รงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันก็พอไปกันได้ ถึงแม้ว่าความสามารถจะยิ่งย่อนปวกกันก็ตามมันก็พอไปกันได้ไปอย่างนี้แหละแบบน้าไหลไม่ทันกันนั่นแหละแต่มันก็ไหลตามกันไปอยู่นั่นแหละอ่าไอ้ส่วนที่มันไหลไปก่อนมันก็ถึงทะเลหลวงหรก่อนส่วนส่วนที่มันไหลตามหลังไปมันก็ยังไม่ถึงก่อนแต่มันก็ไหลกันไปอยู่นั้นแหละ ในที่สุดมันก็ ถ, ถึงถึงทะเลหลวงเหมือนกันหมดเลยบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานี่นะเมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะไม่ชาตินึงก็ชาตินึงเนยมันก็จะได้ เข้าสู่ทะเลหลวงคือพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าช้าและเร็วกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาอันนึงบางคนก็อาจจะเริ่มมีความเลื่อมใสหรือว่าเริ่มกระทำคุณงามความดีมาไม่กี่ชาตินี้ ก็มีที่ล่วงแล้วมานะแต่บางคนก็อาจจะมีศรัทธาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่มาหลายชาติแล้วอาจจะได้พบพระพุทธเจา้ามาแล้วหลายพระองค์ก็ได้แต่ว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรค เข้าสู่พระนิพพานไปได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครันทีนี้ผู้ใดอ่ะไม่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วผู้นั้นอ่ะจกไม่จะมองไม่เห็นอ น, นทางพนทุกได้เลยมองไม่เห็นแล้วมีแต่คลาเลื่อยไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็หนีออกจากทุกข์ไม่ได้จริงๆ่ยแต่กฎธรรมดามันมีอยู่ว่ามเมื่อมันหมุนไปเวียนมาในวัฏฏะสงสารอันนี้นะอะเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้พบพระพุทธเจ้าเข้าไปบางทีมันได้ไปเป็นมิตรเป็นสหายกับชาวพุทธก็มีไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิต่างๆนั้นนะ่ะ พอมาได้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้แล้วก็ไอ้ผู้เป็นชาวพุทธนี่ก็มันมีอุบายเหนือกว่านี้มันก็ชักจูงให้เพื่อนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นนะให้ได้เข้ามาทําบุญฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าอืนั่นมีอยู่แต่ข้างวุฒิเจ้าก็มีอยู่นั่นเลยมีชายสองคนเป็นสหายกันนะคนหนึ่งเป็นชาวพุทธ คนหนึ่งเป็นพวกนับถือพวกทีเปรยกพวกนัาปวดทีเปอยไม่นุ่งผ้าแบบนี้สองสหายนี่เมื่อได้พบกันก็คุยกันสนทนากันเรื่องศาสนาใครก็ยกย่องว่าศาสตาของสนนั่นมีความรู้ยิ่งเห็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ ไอ้ฝายนับถือชีเปลยนั่นก่อเช่นเดียวกันนะยกย้องอาจารย์ของตนว่็เป็นผู้รู้ยิ่งอะไรต่ออะไรรู้อดีตอนาคตมานี่ชายที่เป็นชาวพุทธนี่ก็คิดอยากจะลองดีบ้างนะฮะนี่คิดอยากจะลองดีดูบ้างก็เลยวางนโยบายลงให้คนมาขุดหลุมหน้าบ้านนั่นอ่า กุดหลุมลึกลงไปพอสมควรทีเดียวแหละแลอาบัตนี้ก็ให้คนไปหาของโถโคกนั้นลงมาเทลงในนั้นอวันนี้ก็เอาฝาปิดไว้นี่เอาดินมากลบแล้วก็ทำเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทำเรียกว่าเมื่อพวกนักบวชเล่านันมนั่งลงเนี่ย ให้ไม้เนะี่ยมันหลุดลงไปหรือหักลงแล้วมันจะได้ตกลงไปในหลุมนั่นน่ไปโถกกับสิ่งโสโครกเหล่านั้นเข้าความหมายของอันผู้ทานั่นพอจัดทาอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปเชื้อเชิญพวกนักบวชเหล่านั้นมาฉันพัฒนาหารที่บ้านของโดนแหละ ทีนี่พวกนักบวชเหล่านั้นก็มากันเลยพอมาบ้นี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าขอในมนพระคุณเจ้าหยุดอยู่หน้าบ้านทั้งก้อนอนนันี้พวกนั่งก็ดืนนิ่งอยู่เจ้าของบ้านก็คิดในใจว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไอ้อาหารก็ไม่มีนะแล้วก็อาถรรที่นั่งนั้นะเป็นหลุม่ะ อยู่ใต้นั้นแล้วถ้าหากว่าใครตกลงไป น, น, นั้นจะต้องได้เกือกั้วกับสิ่งโสโครกโศกภพถ้าหากว่าพระผู้เป็นเจ้ารู้อดีตอนาคตได้จริงๆแล้วอย่าได้เดินเข้ามานั่งป ร, รานี้เลยอพอเจ้าของมันนึกยืนคิดอยู่นั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็เอาเชิญไปนั่งที่นั่นได้หรอ ไอ้พวกนั้นไม่รู้ความคิดของเจ้าของบ้านแม้แต่น้อยเดียวเลยพากันยืนเดินไปเดินไปไอ้เจ้าของบ้านว่ายังยังนั่งไม่ได้นะอะท่านผู้หัวหน้าต้องเดินไปจนถึงสุดแถวนู่นแล้วคอยให้พวกหลังนี่ไปเดินไปให้ให้ทันกันเถอะก่อนแล้วจึงนั่งได้ ก็ทำตามที่เจ้าของบ้านเขาแนะนำอะ่ะพอไปยืนเรียงกันมดครบแล้ววันนี้ก็เอานิมนต์นั่งได้เลยวันนี้ฮะพอนั่งลงท่านี้มันก็หักแล้วของทำให้มันหักลงได้นี้พอมันหักตรงนี้มันก็ตกลงไปในหลุมมา น, นั้นอหกสิงโสโคก โ, โกโปกมันแปดเพื่อนเราวันนี้ก็ไอ้เจ้าของบ้านก็น สั่งลูกน้องไว้เอาทําแทไว้คนละอันละอันกันพอตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมมาก็ลูกน้องก็แท่เขี้ยนเ อ, อ้กลัวว่าจะพ้นออกจากหลุมได้กับเจ็บตัวแทบแย่เลยมันนี่นะไปคนละทิศละทางแล้วมันนี้ภายหลังมาไอ้ไอ้สาหาสคนที่เป็นวิชาลิธีนั่นนะ่ะ มันก็คิดแก้แค้นแล้วอืเอาละเราจะตักแก้แค้นกันสักทีอ่ะเป็นไงว่างั้นเพื่อนพวกนี้คิดแก้แค้นยจะเอาให้ตายโน้นนะก็ขุดหลุมไว้หน้าบ้านตัวเองไงว่ะนี่เนี่ยนิมนพระตัง500้งห้าร้อยน่นม า, าหลุมมันก็ต้องยาวเนี่ยเพราะขุดหลุมให้ลึกลงไปเลยวะนี่ก็เอาฟื้นไม้ตะเคียนนี่สิไปลงในหลุมนั้น จุดไฟเผาจนเป็นถ่านแดงเล่เลยวันเดีวืววันนี้ก็ปิดปากหลุมไว้ทําอย่างที่ว่านั่นนะว่าเมื่อไปนั่งลงแล้วก็ให้มันหักลงไปนั่นตกลงไปสู่หลุมถ่านไฟนู่นเอาตายเลยวัเนี่้ น, นั่นเองพอทําเสร็จแล้วเพื่อนก็เอาตมเอาหายเนี่ยไปตั้งเรียงรียเรียงกันด้วยแล้วก็เอาอาหาร เช่นอย่างไหนี้สมมติว่ามีแกงนี่ก็เอาเอาแกงไปทาทาไว้ข้างไห้นั่นโซนว่าไหานียน้ำพริกก็เอาน้ำพริกไปทาไว้ข้างไหยนั่นให้คนไดรู้ว่าไหานี่ไหยน้ำพริกอะไรไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าในไหนี่ไม่มีอาหารอะไรเลยได้เวลาแล้วก็ สหายขอให้สาหายอันชาวพุทธอันไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงมาสาหายชาวพุทธก็ไปกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่สงสัยว่าสาหายของข้าพระองค์นี่จักแก้แค้นแล้วไม่ทราบว่าจะมีอันตรายอะไรก็ขอได้พระองค์ไนะด้ทรงพิจารณาดูหากว่าเห็นว่ามันจะมีภัยอันตรายแลย้ก็อย่ารับนิมนต์เลย ว่าางนั้นพระองค์พิจารณาดูเห็นแล้วว่าพระองค์จะไม่มีภัยอันตรายใดๆถ้าเสด็จไปแล้วคนจะมาชุมนุมกันที่นั่นมากเพราะว่ามันเห็นเป็นเรื่องแปลกไอ้คนมิจฉาทิสิไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาเลยบัดนี้กลับมานับถือ มันก็เป็นการตื่นเต้นกันเลยวัเ น, นี้ครับส่งข่าวต่อๆกันไปกับมาดูมาชมกันมากมายเลยแต่เวลาที่พระองค์ก็สเสด็จมาสเสด็จมาเจ้าของบ้านก็กล่าวเหมือนกันแหละกับชาวพุทธน่นนะก็ขอให้พระองค์หยุดยืนอยู่ก่อ น, น, นองค์ก็ประทับยืนอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็คิดเหมือนกันนะ่ะ บอกว่าถ้าหากว่าพระ อ, องค์รู้เรื่องอดีตอนาคตได้จริงๆแล้วขอพระ อ, องค์อย่าได้เสด็จไปนั่งที่ปะรำเลยเพราะว่านั่นหมายถึงหุมฐานเพิงนะอยู่ใต้นั่นว่างั้นหากว่าตกลงนั่นก็ถึงอันตรายกับชีวิตแล้วอาหารแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในตุ่มนั้นเลยถ้าพระ อ, องค์หากรู้เรื่องอดีตอนาคตแล้วอย่ากได้เสด็จไปเลยวอางั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็ อนิมนไปประทับนั่งในปรมนั้นได้ตามอาสนะที่จัดไว้พระองค์ก็ทรงพระดำเนินไปเลยหลยทรงพระดาเนินไปเลยแต่ภาษาพวกก็ตามสเสด็จไปเลยพอพระองค์ย่างเหี่ยวเข้าไปใในร้านที่เขาปากหลุมไว้นั่นนะดอกบัวนี่มันก็ผุดขึ้นมารับ พระบาทของพระองค์ทุบบาดย่างไปเลยอืแล้วไอ้ปรำอันนั้นหรือว่าร้านอันนั้นอ่ะที่ปกปักหลงอยู่นั้นก็ไม่หักไม่ชำรุดอะไรเลยอแล้วทานไฟที่ร้อนละอุอยู่ในนั้นก็ดับไปหมดอืมพระองค์ก็ทรงผ้าดําเนินไปถึงหัวแถวแล้วก็ประทับนั่งพระสาวกทั้งหลาย เจอ้าของบ้านก็นัดแน่เหมือนกันกันกบชาวพูดนั่นแหละอย่าได้นั่งเพราะอย่าได้นั่งคนละทีนะขอให้ไปยืนเรียงแถวกันให้สุดนั่นแล้วก็จริงค่อยนั่งลงพร้อมกันเอาพระพุทธองค์ก็ปฏิบัติตามอันเนี้เอานั่งลงแล้วมันก็ไม่หักไม่อะไรส่บะนี่น ะ, ะไม่มีอันตรายใดบะนี่ เอาแล้วเดือดร้อนใหญ่เลยทีนี้เจ้าของบ้านน่ะวิ่งไปหาสหายชาวพุทธน่ะโงเพื่อนทำยังไงฉันตายแล้ววันนี้นะวังนั้นตูมานั้นฉันเอาผ้าผูกปากเอาไม่เปล่าๆเลยในนั้นไม่มีอาหารอะไรสักหน่อยเดียวอะแล้วจะทำยังไงอ ะ, อะผู้เป็นสหายชาวพุทธนี่ก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นคุณลงไปเปิดดูไหสิบางทีว่าด้วยอํานาจบุญวาสนาของเราหากมีอยู่บางทีมันก็อาจจะบรรลบรรดาลให้มีก็ได้นะว่างั้นสหายเจ้าของบ้านก็ไปเปิดดูโหเปิดดูตุ่มแกงมาทั้งแกงก็เต็มตุ่มอยู่เลยเต็มไหเลยนั่นแหละพอไปเปิดดูตุม่มน้ําพริกก็น้ําพริกเต็ม ไปเปิดดูตุมผัดผักสลัดหรืออะไรต่ อ, อะไรก็เต็มไปหมดเลยข้าวนี้จึงได้ดีอกดีใจหลายแบบนี้นะโทษไม่ขายหน้าเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะบุญเพื่อนรู้บุญโตก็ไม่รู้นะก็เลยนะเอาอาหารนั่นช่วยกะตาอาหารใส่บาตรให้ผู้เจ้าแล้วผสมไหยนี่เป็นไหยข้าวอย่างนี้กนะ็ข้าวเต็มอ ตาใส่บาทถวายพระองค์และพระสงฆ์จนว่าหอกันทุกรูปทุกนามไปเลยเมื่อพระองค์ฉันเสร็จแล้ว<ม>ก็ทรงแสดงธรรมแบบนี้นั่นไงคนมาฟังนั้นเป็นหมืน่นหมื่นขึ้นไปนั่นไงในตำราท่านกล่าวว่าสี่หมื่นแปดพันนู่น เมื่อพระ อ, องค์แสดงธรรมจบลงพวกที่เป็นมิจฉาทิสิเหล่านั้นก็ได้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาผู้มีบุญว่าสนาแรงกล้าก็ได้บรรลุโสดาปติผลก็มีส่วนเจ้าของบ้านนั้นก็ได้บรรลุโสดาปติผลเลยทีนี้ <c oughs> เราเรียปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระไกสรสารนาคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต คราวข้างนั้นแหละพระองค์เจ้าทรงเผยแผ่พุทธศาสานาได้มากมายทีเดียววะบ้านี้เจ้าของบ้านนั่นก็เลยเป็นชาวพุทธไปแล้วทอดทิ้งพวกนีและผีนุ่งล้มห่มฟ้าเหล่านั้นไปเสียแล้วบ้านี้นะพวกนั้นก็เดือดร้อนกันไปตามยถากรรมอันนี้ที่ยกเรื่องเลา่าแต่ข้างพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังนี่นะ ก็สรุปใจความเรียกว่าคนโง่แต่มันอวดฉลาดอันนั้นเขาเรียกว่าโง่แก้มยิงเอ่าฉลาดแก้มโกงอย่างนี้นะได้ความอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่ถึงเขาจะโง่แก้มยิงอย่างนั้นผลสุดท้ายสาัศา์สดากระซ่งสงเคราะห์เขาให้ได รู้สินรู้ธรรมของจริงในพุทธศาสนานี้หายจากความเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นไปแม้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็จงถือเอาเรื่องราวเหล่านี้่าเป็นอารมณ์ว่าเราอย่าไปเป็นคนโง่แกมยิงเมื่อเราโง่ก็ยอมว่าตนโง่จริงๆสักยอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนบ้าง ยอมไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับท่านผู้รู้บ้างอย่างนี้แหละเมื่อเราเราโง่แลยอมตอนว่าเป็นคนโง่จริงแต่ภายหลังมาก็จะกลับเป็นคนฉลาดบบบนี้นะเพราะว่ายอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนไปแล้วตนก็ลงมือปฏิบัติไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้น เมื่อปฏิบัติเข้าขั้นแล้วเรากลายเป็นคนฉลาดเป็นนักปราดบัณฑิตไปนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนโง่อยู่นั้นตลอดไปนะคนเรานะถ้าหากว่าไม่โง่แกมยิงอย่างว่านั่นนะคนโง่แกมยิงนี่หมายความว่าเมื่อตอนโง่แล้วอย่างนี้ไม่ยอมไปถามใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเลยอ่าตนรู้อะไรเท่าไหร่ก็มิทาตามที่ตนรู้อยู่เท่านั้นเนี่ย ไม่อยากรู้ให้ยิ่งไปกว่านั้นออย่างนี้นะท่านเรียวกว่าโง่แกมยิ่งอะ่ะฉลาดแกมโกงมันมันมีความฉลาดโย่ทำอะไรก็จะเฉลี้ยวฉลาดแต่หากว่ามันไม่ใช่ฉลาดทําแต่ความดีอย่างเดียวไอนี่มันมันฉลาดไปช่อไปโกงเอาทรัพย์สมบัติบัตรของผู้อื่นมาเป็นของตนไปหลอกลวง คนอื่นให้เขาลงทุบลงจนไปในอย่างนี้นะท่านนกวาชลาดแกมโกงไม่ดีทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละคนเราต้องให้เดินทางสายกลางทางมติมาปฏิวทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากทุกได้ เรียว่าเราทําอะไรก็ทําให้มันพอดีพอดีพอดีอด่ะทำการทํางานอะไรก็ดีให้มันพอดีต่อกําลังของตนอ่ะอย่าให้มันเกินขอบเขตแล้วก็อย่าไปเฉยชาอ่อนแอเกินไปหมายความว่าอย่าไปเกียดคลานเกินไปอย่าไปมันเกินไปให้พอดีพอดีอ่าทำการทํางานอะไรก็ดีอ่ะ แล้ววันนี้การพูดการจา ก, ก็เหมือนกันเนะี่ยก็เราพูดพอประมาณอพูดอะไรนะ่ะพูดให้รู้จักการรู้จักเวลาพูดให้เหมาะกับบุคคลบุคคลผู้นี้นะเราควรจะใช่วาจาอย่างนี้พูดอย่างนี้มันถึงจะถูกกับจริตของเขามันถึงไปกันได้ แต่ถ้าเราพูดไปอย่างนั้นมั น, ม, นมันไม่ถูกความประสงค์ของเขาเราก็ไม่เอามาพูดอ่าเราก็พูดแต่ในเรื่องราวที่มันจะพอไปกันได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนฉลาดพูดพูดให้ผู้อื่นยินดีด้วยไม่ใช่พูดให้เขาเสียใจหรือว่าโกรกเกียดพูดอย่างนั้นอนะ่ะเรียกว่าพูดแบบไม่ฉลาดอ่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันจะได้แต่โทษ ไปอย่างนั้นแล้วถึงแม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องจริงแต่ถ้าพูดเกินขอบเขตไปมันก็เลยกลายเป็นทางเสียหายไปก็ได้มันอาจจะเหลวไหลไปก็ได้อคําพูดนั่นนะ่ะเมื่อพูดซ้ำๆซากๆถ้าออกไปไม่รู้จักหยุดจากยั่งแล้วก็สักจะเหลวไหลไปแหละอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพูดเรื่องใด ไปพี่นะเห็นว่าสมควรแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ต่อไปถ้าว่าจะจำเป็นต้องพูดใ้เรื่องที่พูดกันรู้เรื่องกันแล้วไม่ต้องเก็บออกมาพูดอีกทำให้ผู้ฟังมันเบือ่อเป็นเบบนั้นถ้าเห็นว่าสมมาสมควรแล้วของงดพูดเนี่ยเรียกว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั่นดำเนินตามทางสายกลาง ทำอะไรอะไรต้องให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันเกินไปแล้วก็อย่าให้มันยอนเกินประมาณถ้ามันพอดีคิดอะไรในใจก็เหมือนกันนะอย่าคิดจนว่ามันชอกช้ำใจบางคนอ่ะเมื่อตนทำอะไรไปแล้วผิดหวังลงไปก็เก็บเอาเรื่องที่มันผิดหวังนล้ไปคิดอยู่นั่นเนี่ย คิดไม่หยุดไม่ยั้งเลยคิดไปคิดมายิ่งกลุ้มใจใหญ่นวิตกไปว่าเรานะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะมันควรจะทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องถึงจะดีวิโตกเขาแสด ย, ยิ่งกลุ้มใจไปเท่านั้นอันนี้นะเรียกว่าใจมันไม่มันไม่เดินสายกลางซะแล้ว ก็สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเราก็มีสติเตือนตนว่าถึงแม้มันจะผิดจะพลาดหรือมันจะดีมันก็ล่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขให้มันดีคืนในนั้นในคาในในอดีตเนอมันไม่ได้เราก็มาแก้ตัวเองในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าทาอย่างนั้นพูอย่างนั้นมันผิดมันไม่ถูกไม่ดี อันนี้เก็อธิษฐานใจ่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วตั้งสติสำรวมระวังไปเรื่อยๆไปไม่ให้มันผิดพลาดเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้แล้วมันก็ดีขื้นนะสิมันจะจะไปเมาวิตกวิจาร์ให้กุ้มอกกุ้มใจทำไมอ่ะเพราะว่าความผิดพลาดไอ้เือเล็กน้อยๆต่างๆวัเนี้ มันเป็นละหกกรรมเป็นกรรมเบาบุคคลสามารถละได้เมื่อพอได้รู้ตัวแล้วอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจละลงไปไม่ไปวิตกวิจานเศร้าใจเสียใจอะไรต่อไปอีกแล้วไอ้เรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองมันยใจเราไม่ไปยึดถือเอามันไปอย่างนี้อุบายละกิเลสความหลงความเมาต่างๆนะ มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้รู้จักเตือนตนของตนให้ได้เมื่อเตือนตนอย่างนั้นในจิตมันรู้สึกตัวละโอจริงๆเพราะว่าเรื่องใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วนี่เราไม่ควรที่จะไปค้นคิดเอามันมาเลยมันมายุ่งสมองเปล่อๆไม่มีประโยชน์อะไระเมื่อรู้สึกตัวได้องนี่ก็กำหนดละมันเลยวันนี้ไม่คิดมันแล้ว เอเมื่อจิตมันเห็นตามสติหรือปัญญาที่เตือนนั่นแล้วมันมันก็วางสี่จิตนะพอมันวางแล้วเรื่องไหนมันก็ลังฮับไปอใหญ่ก็สงบลงได้เย็นสบายแบบ น, นี้นะไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์เศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรอยู่ทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี้เลยนี่อุบายดาเนินทางสายกลางนะ่ะ ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาสั่งสอนนะทางสายกลางนี่มันเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคาร้นหัดเรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามทางสายกลางนี่เหมือนกันหมดแหละดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนำเนินชีวิตของเราไปตามทางสายกลาง การที่จะดำเนินไปได้ก็เพราะว่าเรามีสติสมบัติีะประคับประคองจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นโดยดีแล้วนั่นน่ะให้มันตั้งมั่นสมํำเสมอไปมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็พยายามประคองจิตนั่นไว้คมจิตนัานไว้อย่าให้มันลิ้นหลนไปตามเรื่องที่มันกระทบกระทั่งมานั่นน่ะ ถ้ารู้จับหยุดยั่งความคิดความนึกในจิตใจของตนลงให้ได้นี่นะถ้าหากว่าทําได้อย่างนั้นมันก็รักษาสมาธิไว้ได้แล้วันนี้นะจิตก็ไม่ถอนจากสมาธิแล้วเมื่อจิตใจมันหยุดยั่งได้นะก็ปัญญาก็เดินตามหลังแหลวะวันนี้นะปัญญาก็เพ่งพิจารณาเห็น เรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาวันนั้นเป็นของเกิดของดับไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเลยแม้ร่างกายอันเป็นที่รองรับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปใจรักตนญาณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแลใจก็เป็นกลางตามเดินตามทางวัตถมาปฏิัต ท, ที่พระศาสดาทรงแนะนาสั่งสอนไว้ ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้